วันนี้เป็นวันที่24พุทธศักราช2554องหลวงตาของพวกเราได้ละทั้งขานเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554เวลาตี3 53นาทีนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา26วัน เป็นเวลา26วันและ ก, การดำเนินดำเนินงานของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนก็เสร็จไป 8-90 เซนพร้อมที่ทุกอย่างพร้อมแล้วและกับบริเวณที่ลาดยางที่ให้พี่น้องประชาชนนั่งเฝ้าเมนก็รู้สึกปูลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็ เข้ารูปรอยพร้อมที่จะดําเนินการไปได้ส่วนสรีระขององค์หลวงตาทางคณะกรรมการได้พิจารณาและตกลงกันว่าจะนําสรีระขององค์หลวงตาเคลื่อนย้ายวันที่สี่เช้าฉันตทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคงเคลื่อนย้ายสรีระขององค์หลวงตาไปสู่เม น, นวันที่สี่ แล้วก็พระราชทานเพลิงก็คงเป็นวันที่ห้าทำพิธีส่วนรายละเอียดนั้นก็คงจะมีการแก้งข่าวอีกทีหนึ่งหลวงพ่อไม่กล้าที่จะพูดในจุดนั้นได้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลายหลายหลายห ล, ล, ล, ลายอย่างแต่ว่าเป็นวันที่ห้าคงจะร่วมกันพระราชทานเพลิง สรีระขององค์หลวงตาพวกเราก็เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านจุ ข, ขุมพันุ์ท่านก็มาทอดผ้าบางะกุลและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรกับคณะส่วนราชการและก็บผู้ว่าจังหวัดหนองคายพร้อมกับส่วนราชการเมื่อคืนมีคณะมาห้าสิบกว่าคณะมาร่วมกันทอด ผ้าบงางสกุลก่อนแรกก็คือร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ร่วมกันฟังธรรมเทศนาหนึ่งกันอย่างทุกทุกคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีการทอดผ้าบงางสกุลเมื่อวานก็เป็นตีเรียบร้อยหลวงพ่อเองในนามคณะสิทธิอนุสิทธิหรือเป็นทุกศิษย์ฝ่ายพระสงฆ์ท่านหนึ่งในในหลายท่านหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจ ในพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหลา่าได้มากราบคารวะสิรีระขององค์หลวงตาอดคาไหนพูดคำไหนก็อดที่จะพูดไม่ได้ว่าสมกับหลวงตาเป็นผู้เสียสละต่อประเทศชาติต่อโลกจริงๆทุกอย่างองค์หลวงตาเป็นผู้เสียสละบัดนี้ผลแห่งการเสียสละผลแห่งการเมตตาผลแห่งการมีน้ำใจของหลวงตากำลังไหลทะลัก ล้นหลามเข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาดแต่ละวี่แต่ละวันรู้สึกว่าคู่คนมืดฟ้ามัวดินไม่เคยเห็นงานไหนยิ่งใหญ่กว่าองหลวงตาของพวกเราเพรานันคณะสิทธิอนุสิตลูกหลานทุกคนช่วยๆกัน่ดยช่วยกั น, น, กนทุกอย่างไม่ว่าความสะอาดห้องน้องห้องน้าไม่ว่าสงขยงขยะสิ่งไหนที่พวกเราพอพอที่จะทาได้ พวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นสิทธ์ยันสิทธ์ขององค์หลวงตาเป็นลูกขององค์หลวงตาแล้วพร้อมที่จะเสียสละทําได้ทุกอย่างไม่ว่างานบาดัดหนักงานเบางานยากงานละเอียดพวกเราต้องเสียสละต้องทําเพื่อองค์หลวงตาอย่าไปคิดว่าทําเพื่อใครอื่นทําเพื่อหลวงตาเท่านั้นแล้วก็จบทําให้ดีที่สุดคิดให้ดีที่สุดพูดให้ดีที่สุดขอฝากไว้กับพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่าเขามาร่วมงาน มากราบรารวะขององค์หลวงตาหลวงพ่อเน้นย้ำอยู่เสมอถ้าหาว่าได้เก็บสิ่งของอันไหนก็ตามจะเป็นโทรศัพท์สิ่งทองเงินทองกระปง๋งกระเป๋าให้เก็บมาไว้มาให้กองอํำนวยการอย่าไปฉกอย่าไปลักอย่าไปขโมยเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาพวกเรามาสร้างบุญไม่ใช่มาสั่งสมบาป ถ้าพวกเราทําอย่างนั้นแปลว่ามักเก็บกอบกรรมเอาบาปนําติดตัวติดใจไปสู่ภายภาคหน้าพวกเราไม่ควรจะทําอย่างนั้นมาณสถานที่แห่งนี้นะแต่เมื่อวานก็มีนักข่า ว, วก็จะถามหลวงพ่อเหมือนกันว่าต่อไปภายภาคหน้านประชาชนล้นหลามขนาด น, นี้เข้ามาเพราะอะไรครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบว่ามาเพราะน้ําใจของหลวงตามาเพราะความเมตตาของหลวงตา มาเพระความเสียสละของหลวงตาถ้าว่าพวกเราขีดตีนขีเหนียวแล้วคนทั้งหลายจะไม่เข้ามาหานะอันนี้หลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีเมตตาพี่น้องประชาชนจึงหลั่งไหลเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วก็าาถามว่าต่อไปภายภาคหน้าละ่ะหลวงพ่อจะจะดูแลกันยังไงจะรักษาจัทธาพี่น้องประชาชนได้อย่างนี้ไหมหลวงพ่อก็ได้ตอบต่อไปว่าเออต่อไปภายภาคหน้าก็คง หลวงพ่อสุดใจท่านธรมโน เ, เป็นผู้รักษาการอยู่ขณะนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราคงจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแต่ทิ้งยังไงพวกเราก็ต้องคิดพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะแทนพระพุทธเจ้าได้พระสาวกแต่และองค์พระสารีบุตรโมกขราชกัจปะอานน์เมื่อผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะแทนท่านได้ต่อมาก็หลวงปู่ แหวนหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ล่าก็าาไม่มีใครที่จะแท็กดแทนท่านได้มาถึงองค์หลวงตาของเราก็คงจะลักษณะอย่างนั้นแต่ถึงยังไงเรารู้แล้วว่าเรื่องราวมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พวกเราพี่น้องทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าเมื่อพระราชทานเพลิงศรีระขององค์หลวงตาแล้วก็ขอฝากไว้กับทุกคนในพี่น้อง ให้มีน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้ลําลึกถึงพระคุณของหลวงตาอย่างน้อยก็มากราบมาไหว้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงตาที่ท่านให้ธรรมะแก่พวกเราทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็ขอฝากไว้กับพระสงฆ์ทุ ก, กใใรูปเนี่ยคลๆว่าช่วยคันช่วยกันดูช่วยกันประคับประคองช่วยกันดูแ ล, แลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้นะ ไม่ใช่หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดหลวงพ่อสุดใจเปลี่ยนตวัดเราแต่งตั้งให้ท่านเป็นหลักให้แก่พวกเราเท่านั้นแต่ส่วนที่พวกเราจะให้การสนับสนุนนั้นคือพี่น้องประชาชนที่รักเคารพในองค์หลวงตาขอฝากไว้กับพระสงฆ์หมู่พวกเพื่อนน้องนุงทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลา ย, าาลายพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าให้มีความพร้อมเพียงสมัคคีกันต่อไปพวกเราจะคิดยังไงในการจะสร้างพระเจดีย์ หรือว่าอนุสร์สถานสิ่งไหนอันนั้นเขไม่ใช่หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดจะต้องเป็นคนคิดเป็นหน้าที่ของสิทธิานุสิทธิหมู่ทุกเราจะต้องหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรารบกันเราจะทำยังไงเพื่อเทิดทูนบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอันนี้ของหลวงพ่อกขอฝากเป็นแนวความคิดต่อไปภายภาคหน้านะกับทุกท่านทุกๆท่านนะให้ผูช้ช่วยกันคิดเอาไว้ ในจิตในใจแล้วก็พร้อมกันก็ให้เตรียม <c oughs> เตรียมเมื่อลงตาผ่านไปแล้วพวกเราจะ เ, เสียสละจะตุกปัจจัยเพื่อสร้างอารุษสอรุสสถานหรือสร้างพระเจดีย์ <c oughs> ข้อองค์รถหลวงตาในยอย่างไรแต่หลวงตาในท่านไม่ได้แค่ท่านไม่ได้สนใจนะใครจะสร้างแล้วไม่สร้างท่านไม่ว่าอะไรแต่พวกเราในฐานะสิทธิสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างพระเจดีย์หรถถือจะทุก ขึ้นมาในอนาคตอันนี้หลวงพ่อฝากไว้เท่านั้นนะหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าองค์พ่ออินจะเป็นหัวหน้าหลวงพ่ออินจะเป็นประธานหลวงพ่ออินจะเป็นผู้จัดการไม่ใช่อย่างนั้นนะขอฝากไว้กับทุกคนใครจะเป็นหัวหน้าหลวงพ่อที่จะพร้อมที่จะสนับสนุนในการที่จะทําในจุดนั้นๆ น, น, นะขอให้ฝากฝากไว้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์ลุงตาให้คิดล่วงหน้าเอาไว้และเตรียมเตรียม เตรียมกระเป๋าเอาไว้ด้วยเพื่อจะเทในจุดนั้นอีกเป็นรอบสุดท้ายนะ เ, เพื่อสร้างพระเจ้าอันนั้นเป็นรอบสุดท้ายให้เตรียมมาไว้ในใจว่าเมื่อสร้างพระเจดีเนี่ยเราจะเสียสละเท่าไหร่ให้มีความสัตย์จริงในจิตในใจในวันนั้นและของทุกอย่างก็จะเรียบราบไปด้วยดีถ้ามาพวกร้อไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนอมีแต่เสีย อ, อกเสียใจจากนั้นก็ค่อยจางจางจางไปเรื่อย โดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าว่าพวกเรามีความศักดิ์จริงในใจเราจะต้องบูชาพระคุณหลวงตาให้ได้หลวงพ่อว่าความราบเรียบราบปรึ่งจะมีในอนาคตสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายลต่อเนื่องไปให้ขอให้หลวงปู่บุญมาที่ท่านเคยเมาเทศแสดงธรรม ท, ที่วัดที่ในงานของหลวงตาครั้งหนึ่งแล้วข่าวนี้ขอในมณโฑหลวงปู่บุญมาเป็นผู้ อนุโมทนาให้พรกับลูกหลานต่อไป